ไม่ใช่ควรนะแต่จำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องธรรมะคำตอบสั้นๆาคือว่าถ้าใครคิดว่าเราจะไม่มีวันทุกข์จะไม่มีวันพัดพลาคจะไม่มีวันสูญเสียจะไม่มีวันตายออกจากวัดนี้ไป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 แน่ใจด้ดยซ้ำวา่าต้องมีวันเจ็บวันป่วยแล้วก็ในสุดก็ต้องถึงวันที่พัดพรางจากโลกนี้ไปถ้าเรามีความแน่ใจอย่างนี้เนี่ยธรรมะเป็นเรื่องที่เราหลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังมีความสุขดีอยู่โลกนี้อาจจะยังสดสวยคนที่เราลัก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 หลงไหลในชีวิตของเราในความสุขของเราในปัจจุบันของเราที่กำลังสดใสเราประมาทเราไม่ได้ตระหนักว่าไอ้ความพลัดพรากสูญเสียรวมทั้งความตายเนี่ยมันสามารถจะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้และพอถึงสิ่งเวลาทีนมาถึงเนี่ยก็ตี อ, อกชกหัวตัวเองหลายคนในเวลาประสบความพลัดพรากผิดหวังขึ้นมาเนี่ย มัจะพูดว่าทำไมถึงต้องเป็นชั้นบางทีแค่เงินหายแค่นั้ น, นเงินหายกระเป๋าเงินหายโทรศัพท์มือถือหายก็จะโวยวายขึ้นมาเลยว่าทำไมต้องเป็นชั้นบางคนหนักกว่านั้นนะเป็นเอดไปเที่ยวผู้หญิงมาไปเที่ยวหรือว่าไปใช้ชีวิตยอย่างไม่ระมัดระวังเพราะว่าคิดว่ายังเป็นเป็นสาวก็สวางหาความสุข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 ใครบ้างที่สามารถจะควบคุมความคิดไม่ให้คิดได้เนี่ยภายในเวลาหนึ่งนาทีแม้แต่นาทีข้างหน้า น, นี่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะคิดอะไรต่อไปเราสามารถจะเดาหรือสามารถจะบอกได้ไม่ว่าอีกหนึ่งนาทีข้างหน้า น, นี่จะคิดเรื่องอะไรบอกไม่ได้เลยนะอาจจะบอกว่าเอ้ยอีกนาทีอีกนาทีข้างหน้าเ น, นี่ยมันต้องสงบอีกหนึ่งนาทีข้างหน้านี่จะอยู่กับจะฟังกับสิ่งที่อาตมาพูด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 อาจารย์พุทธทาตอยู่ข้างหน้าแล้วให้หนูกล้าเข้าไปเลยคือกล้าเข้าไปหาความตายอาจารย์พุทธธาตุรอยอยู่ข้างหน้าแล้วหนูเป็นคนกล้านะ ป, Lan, ป้าคือพยาบาลเนี่ยเรียกว่าตื่นว่าป้าแล้วก็แม่นจะช่วยหนูพอผู้เช่นนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้สติขึ้นมาเด็กก็ได้สติขึ้นมาเด็กรู้จักอาจารย์พุทธทาตเด็กรู้ว่าอาจารย์พุทธธาตได้ลัจากโลกนี้ไปแล้วพอรู้ว่า พอทีพยาบาลบอว่าจำผุ้ท่านนี่รอยอยู่ข้างหน้าแล้วเด็กก็เกิดความกล้าแล้วก็ทําใจสงบแต่เด็กกับแม่เนี่ยก็บอกให้เด็กเนี่ยตามลมหายใจเข้าและออกเข้าและออกพุโทโธพุโทโธพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้วแม่นี่ก็เอามือกลุม้มมือของเด็กเอาไว้เด็กก็ในสุดก็ทาใจสงบแล้วก็จากไปด้วยความสงบเราเคยเจอ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 เงินหายพันบาทก็กระสับกระส่ายนะทุรนทุรายโทรศัพท์มือถือยิ่งหายแทบจะสติมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมีคนหนึ่งนะซื้อโทรศัพท์มือถือมาสอง0มืบาทใช้ได้ไม่ถึงสองวันเองก็หายหายแล้วก็ทุกข์มากเลยนะสุดท้ายต้องไปหาหลวงพ่อไปหาทำไมหลวงพ่อเป็นเกจิอาจารย์ก็หวังว่าจะให้ท่านเนี่ยช่วย ช่บอกนั่งทางในบอกบอกแซ้หรือว่าจะโทรศัพท์มันไปใครเอาไปหายที่ไหนหรือว่าจะได้คืนไหมพีม่สนับไปหาพระเนี่ยให้นั่งทางในพอโทรศัพท์ ม, มอือหายไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านไม่ถามเลยนะโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรท่านไม่ถามได้หายที่ไหนหายเมื่อไหร่แต่ท่านถามว่ามีทองไหมหลวงพ่อที่ก็บอกว่ามีครับหลวงพ่อบอกว่า อีกไม่นานก็หายมีรถไหมมีครับอีกไม่นานก็ไปมีแฟนไหมหนุ่มก็บอกมีครั บ, รบอีกไม่นานก็ไปเหมือนกันเจอแบบนี้ข้าแก่ลุงันนี้ก็เลยกราบหลวงพ่อเลยลากลับไม่ถามต่อแล้วเริ่มโทรสามมือถือไม่ใช่เพราะว่ากลัวถูกแช่งนะ แต่เพราะได้สติขึ้นมาว่าโสศ ม, มือถือหายเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่ต่อไปต้องเจอของหายของสูญเสียมากกว่า น, นี้เพราะได้สติขึ้นมาเลยว่าโพสศ ม, มือถือหายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าไอ้ที่ต้องหายต้อง พ, พลัพรานเนี่ยจะต้องมีตามาอีกเยอะและนี่แหละคือคุณประโยชน์อของการที่เราเข้าใจความจริงของชีวิต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 สักวันหนึ่งพ่อแม่ก็จะไปจากเราเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดแบบนี้นะเขาได้กําไรแล้วนะได้กําไรแล้วอยากให้เราเนี่ยได้กํำไรแบบนี้บ้างอย่าเอาแต่ทุกทุกนี่นะไม่ได้มีไว้คล่าครวนนะทุกมีไว้ไข้ครวนทุกมีไว้ไขครคร้ครวนคล่าครวญกับไข้ครวญต่างกันนะส่วนใหญ่นี่ทุกแล้วคล่าครวนแต่ถ้าคุณทุกแล้วเนี่ยเช่นพัดพลากสูญเสียของหาย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 แล้วเมื่อได้คนพบธรรมะแล้วใจสบายบางคนเป็นมะเร็งน่ยแต่มีความสุขมากกว่าคนปกติธรรมดาซี่คนเป็นมะเร็งบางคนมีความสุขมากกว่าคนถูกหวยนะยี่สิบล้านคนถูกหวยยี่สิบล้านบางคนนี่โอ้ตอนแรกก็มีความสุขดีหนึ่งเดือนผ่านไปเป็นข่าวในไทยรัฐว่ากินยาฆ่าตัวตายเพราะเครียดใครต่อใครก็มาลุมขอใครต่อใครก็มาลุม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 มีเศษแก้วอยู่ในมือคุณนึกภาพนะคุณมีเศษแก้วอยู่ในมือเนี่ยทายัางไงถึงจะไม่ให้เศษแก้วบาดมืออย่าไปกำรร ม, มันเนี่ยถ้ากุมมันคุณกำรรแล้วบี้ยเมื่อไรเนี่ยคุณเจ็บนะคนส่วนใหญ่เนี่ยกำรร ม, มีเศษแก้วแล้วไม่รูร้ว่าเศษแก้วอยู่ในมือก็ไปกำรร ม, มันไว้แล้วพอมีแผลเนี่ยถามว่าจะโทษใครจะโทษแก้วหรือโทษตัวเองที่ดันไปกาเอาไว้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 คนมีโชคแต่ทุกข์จนจะฆ่าตัวตายก็มีคนที่มีเคราะห์แต่ว่าจิตใจผ่องแพ้ว ผ, ผ่องสงสัยก็มีและคนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเจอความทุกข์เจออันนี้จังทุกขังอนัตตาเล่นงานเจ็บป่วยพัดพลาดคนรักสูญหายไปหรือแม้คุณจะประสบกับความตายที่ใกล้เข้ามาแต่ทุาคุณมีธรรมะไว้นะ ไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำอะไรคุณไม่ได้เจตใจก็ยังเป็นสุขได้อันนี้แหละคือเหุ้ผลว่าทาไมต้องศึกษาเรื่องธรรมะเพื่อที่เราจะได้ประเชิญแล้วก็เอาชนะความพัดพรากความสูญเสียความผิดหวังความเจ็บความป่วยและความตายได้